หลัทงทมกันนะหลังทมก็ฟังเรื่องของเราเลยละ่ะคนเดินพูดให้ฟังเราก็ทำให้เห็นเราก็ทำได้ทำเป็นมีกายมีใจให้ดูแลตัวเองเอาจริงกับกายกับใจบ้าง มืนผิดวันถูกเหมือนสุขวันทุกข์เออต่างๆมากมายปัญหาก็อยู่ที่กายที่ใจปัญญาก็อยู่ที่กายที่ใจไม่ใช่เป็นเรื่องอื่นเลยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับถ้าปัญหาก็มีปัญญาถ้าเป็นทุกข์ก็ไม่เป็นทุกข์ถ้าต้โกรธก็ไม่ต้องโกรธถ้าไม่หลงก็ไม่ต้องหลง ก็ศึกษากายใจนะเป็นสูตรศาสนาคือกายคิอใจของเราเนี่ยศึกษาปฏิบัติธรรมสมถะวิปัญนาก็คือมาเห็นกายเห็นใจเรานี้นมีสติเป็นดวงตาดูแลอย่าให้มันลอยนวลได้ความผิดก็จับมันมาใช้ มีประโยชน์อะไรมีความมีโทษอะไรความถูกก็จับมันมาใช้ไม่ใช่มันฟรีฟรีไปหลงมาจี่ตีจี่ชาติแล้วทุกมาเท่าไหร่โกรธมาเท่าไหร่ได้ประโยชน์จากความโกรธไหมได้ประโยชน์จากความทุกไหม้นี่คือสมถะวิปัสฉนาให้มันแยกมีสติเห็นกายเห็นใจของเราเนี่ย กันเห็นเป็นรูปไปธทำเห็นเป็นนามมาทำไอ้ใจเห็นหน้าตาสวยๆขี้เหล่เท่าแกอันนั้นเป็นเป็นการเห็นภายนอกเห็นแบบนั้โง่มันหลงก็เห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามน่ยมันจะฉลาดใช่ไหมมันจะฉลาดนาะฉลาดจริงๆนะฉลาดตรงนี้แหละตรงเห็นรูปเห็นนามมันบอกเรา มันบอกว่ามันคืออะไรรูปเนี่ยน้ำนี่มันคืออะไรแต่มาเราจึงสุขตึงทุกเพราะรูปเพราะน้ำไม่สุขไม่ทุกได้ไม่ได้เลยกายแทๆ้ๆเอามาเป็นสุขเป็นทุกเวทนาที่มันเกิดขึ้นกับกายธรรมชาติธรรมชาติเอามาเป็นสุขเป็นทุกจิดมันก็คิดเป็นแล้วมาเป็นสุขเป็นทุก ปัญหาอยู่ที่กายปัญหาอยู่ที่เวทนาปัญหาอยู่ที่จิตปัญญาก็อยู่ตรงนี้บ้างได้ไหมฉันเห็นว่ากายสากว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนโลโขาจบป ร, ริยั่งอะารอย่างนี้เป็นการว่านหรืกไหมหรือเป็นการว่านเรื่อยไปไม่จบสักทีอนะศักแต่ว่าหรือว่า เป็นอะไรต่างๆเห็นได้ไหมจะปเป็นได้ไหมถ้าเห็นนี่ยมันจะเป็นงไงถ้าเป็นมันจะเป็นยังไงศึกษามันต้องอย่างนี้ถัดหลุงอย่าให้เป็นดุ่นเป็ น, นก้อนจลอยออกมันเห็นแจ้งอย่างนี้สมรถะคือเห็นวิปัสนาลู่แจ้งอย่านะจะไปเอาที่ไหนสมรถะนั่งหลับหูหลับตาอยู่ที่ใดเดินย่องย่องเหลือ นังหลังคนหลังกอจนเป็น อ, อาพภาดแล้วไม่เห็นแจ้งยังหลงอยู่ที่กายังหลงอยู่ที่เวทนายังหลงอยู่ที่กิจยังหลงอยู่ที่ธรรมเมืม่อไรจะเห็น แ, แจ้งเราจะศึกษาอะไเห็นรูปเห็นนามถ้าเห็นกายเห็นใจมันเป็นดุนเกินไปมันคับแคบเหมือน เหมือนปิดประตูตีแมวเหมือนล้อมโซ่หวนอยู่ในโคกต้องเห็นเป็นรูกเป็นหนามมันเปิดออกมาเปิดโปองออกมาไม่ไม่ติดคุกแต่ก่อนเราขังอยู่กับลูกเวลารูกมาแฉกเอาไปสุกเป็นทุกเป็นตัวเป็นตนเป็นตนไปตามลูกร้อนก็คือกูหนาวคือกูหิวคือกู ปดเมื่อยคือกู้อะไรก็กูไปอยู่ที่โลกจนตรงนี้จะลาดตรงนี้ได้ไหมไม่จนตรงนี้ได้ไหมเห็นรูปเห็นนามเข้าไปอ่าอนคืออะไรรูปทำนามทามันก็มีรูปทําด้วยมีน้ําทําด้วย ต, ต่างประเอาการหนักต่างที่มันมีอยู่ในรูปในนามใใช่เรา รูปทํานาทําบางทีมันแสดงไปตามเรื่องราวของเขาเราจะไปจับเอามาเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ได้เพราะเห็นรูปแล้วเห็นนามแล้วมันทํามันทําดีมันทําชั่วทำํำมนหนึ่งธรรมาชาติเอารูปไปทําดีเอารูปไปทําชั่วทําชั่วก็เป็นอย่างหนึ่งทําดีเป็นอย่างหนึ่งโดยคนละทิศละทาง รูปธรรมนะน้ำธรรมก็เหมือนกันรูปธรรมที่มันเป็นธรรมชาติมันก็เป็นของเขาเดี๋ยวเรามาเป็นสุขเป็นทุกข์เพิ่มเข้าไปอีกจากรูปธรรมน้ำธรรมที่เป็นการกระทํามันทำหลายหลายซับหลายเติมแล้วกันบางทีธรรมที่เป็นธรรมดีธรรมชั่วเป็นสุขเป็นสุขเป็นทุกข์เพราธรรมดีธรรมชั่วแต่ควมดีก็เป็นทุกข์ ความชั่วเป็นทุกข์ด้วยมันมีอะไรต่อยอดไปเยอะแยะถ้าเห็นเป็นรูปทำนามทำแล้วก็ก็จบเป็นรูปโลกดามโลกโลกของรูปมีมากมายความหมาเที่ยงก็เป็นโลกของรูปความหมายทุกข์ก็เป็นโลกของรูปความไม่ใช่ตัวใช่ตนก็เป็นโลกของรูปโลกอันนี้รักษาไม่ได้ ต้องมีปัญญากำหนดรู้โดยการรู้ลูกโลกกันเนี่ยแต่คนที่ไม่มีการศึกษาเอาโลกอันนี้มาเป็นทุกข์เอาโลกอันนี้มาเป็นสุขเอาโลกอันนี้มาเป็นหลงความครอบพ่อไม่ชอบพิเลรนหาเกิดอยู่ตรงโลก น, นี่เมื่อเราเห็นแล้วเป็นสมถวิปัญญาเห็นแจ้งเราก็เป็นปัญญาใช่ไหมเรามาโง่ตรงนี้ทําไม ความไม่เที่ยงความมนทุกข์ความมาช่ตัวตนมีปัญญาตรงนี้อย่าเอาความไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์อย่าเอาความาทุกข์มาเป็นทุกข์อย่าเอาความมาช่ตัวตนมาเป็นทุกข์นี่คือสมถะวิปัจสนาเห็นต่อหน้าต่อตาเหมือนเราเลินตาเล่นตาเมื่อมันเป็นสมถะมันก็นิ่งให้เราดูออกถ้าเป็นวิปัจฉาให้เราลู่แจ้ง ไม่ใช่รูปแบบให้เราลู่แย้งลู่แย้งคืออะไรกำหนดลู่โดยการลู่ลู่แล้วลูกวันนี้โลกวันนี้รักไม่มียยารักษาเป็นที่เพียงกําหนดลู่ไม่ต้องไป็นลูกเลยไม่ต้องไปสุขเลยเพราะเห็นว่าลูกโล ก, โลกเป็นโลกของธรรมชาติโลกวันนี้รักษาไม่ได้ไปของมันตามเรื่องของมัน ไม่หายใจก็มาได้เช่นหมหายใจคือน้าลายพิบตายืนเดินนั่งนอนเป็นโลกของลูกต้องกินต้องถ่ายต้องอะไรต่างๆอาบน้ำแปรงฟันอันนี้ลูกลูกโลกของลูกอย่าให้สกปกดูแลโลกวันนี้ถ้าไม่ดูแลโลกตอนนี้โลกตอนนี้เกิดโลกอีกต่อไปอ เป็นโรคเพราะสปกปรกเป็นโรคเพราะขี้เกียจเป็นโรคเพราะไม่ดูแลต้องดูแลดีผ้าล่องผมที่นอนหมอนนุ่งสุขภาพร่างกายแปลงพันคนหมดคนเขาอย่าให้แมน้มนสาบเหม็นข่ามันเป็นโรคอยู่แล้วมันน่าเกียดโรคกันรูปเนี่ย อย่าไปให้มันเป็นโรคต่อไปอยจางเป็นโรคมะเรงเนี่ยหนึ่งละต้องศาสตร์ความสะอาดมีอยู่ในความจกปลกไม่ใช่ความสะอาดอยู่บนความสะอาดความสะอาดอยู่ในความจกปลกความขยันอยู่ในความขี้เกียจได้ไหมเวลาไดมาขี้เกียจมีความขยันตรงนั้น อะไรมันสกปกความสาตรงนั้นนะลูกนะดูให้เลยดีมีปัญญาโลกโลกนามโลกโลกของโลกนะโลกที่เป็นโลกมันเลงอย่างนี้โลกที่มันเกิดโลกไปต่อโลกสองลูกนี่มันเป็นโลกอะไรอีกเยอะๆไปเลย โรคบางอย่างรักษาได้โรคบางอย่างรักษาไม่ได้อย่างหลวงพ่เป็นโรคมะเร็งตับน้ําเหลืองก็เนื้อโตเร็วนะไปสู่ตับอ่อนหมอตรวจพบหมอของสัตรูมาแฝกนะผมาอ่านให้ฟังจากสารลัดบอกว่าก้อเนื้อในตับอ่อนยังไม่มีอย่ารักษาเลย มันเลว่ามารักษามาได้โอทางนี่แฝกไปวะโลกก้อนเนื้อตับบ่อนมาขยายไปจากก้อนเนื้อโตเร็วณลําคอส่งไปแฝกมาเมาของศักดิ์ออกศักดิ์แฝกมาเองอะเอ้ก้อนเนื้อจับบ่อนขยายไปจากก้อนเนื้อโตเร็วนะลาาวําคอมันเป็นต่มน้ําเหลืองมันขยายไปตามต่อมน้ําเหลืองรักษาได้ ว่าอย่างนี้ไอคีโมูตัวใหม่ให้หลวงพ่อโดยด่วนรักษาได้ข้าพ้าเจ้าไปฏิเสธวิธีการรักษาอื่นไหนทั้งสิ้นขีเจโวเข้าไปให้หลวงพ่อหายใจได้เนี่ยมันยามก็รักษาได้ก็ได้จริงๆนะแต่โรคบางอย่างรักษาไม่ได้อย่างหลวงพ่อเตียนเนี่ยโรคมะเร็งหลวงพ่อก็เป็นโรคมะเร็งเหมือนกันแต่โรคมะเร็งบางอย่างรักษาไม่ได้ ว่าเทียนก็ก็บอกหมอถ้ารักษาไม่ได้ไม่ต้องเสียเวลานะหยุดไล่โรควังอย่างรักษาไม่ได้นะบอกหมอวัฒนาหลานชายของท่านวัฒนาเอ้ยโรควังอย่างรักษาไม่ได้นะโรควังอย่างรักษาได้อย่าไปให้มันเสียเวลาเกินไป จนใจสุดหมอทยาบอกว่าหมดปัญญาแล้วหลวงพอ่อเอ้ยโลกหลวงพอ่อผมหมดความสามารถแล้วหลวงพ่อเถียนชื่นใจอยากได้ยินเรื่องนี้มานานแล้วเอาหุดซะ <c oughs> สถานะนั่นเถียนที่จะเป็นทุกข์อะไมันไม่ใช่ทุกข์เละชื่นใจไปอาจารย์เถียนไปเมืองเลยไปจองทัวเครื่องบินขับไปเลยดีกว่า อะจองตัว๋วเครื่องบินให้อาจารย์จำใจอู้มหนวงพ่อเทียนขึ้นเครื่องบินเราก็ไปรถไปพูดก่อนทที่ทับเม้งขวนญมืองเลยพอไปถึงทับเมงขวนญศาลามงแฝกเพื่นก็เป็นผ้าใสาเอาเตียงไปวางให้หลวงพ่อนอนอปรากฏว่าหลวงพ่อเทียนโอ้ยยิ้มไม่ทุกได้ดเลยความตายไม่ต้องถูก <c oughs> โลกบางอย่างเราสาไม่ได้บางคนเป็นทุกข์เลยหมดกําลังใจเลยแม้บัดบอ ก, กําลังใจมันก็ตายอยู่ไม่บมด ก, กาลังใจมันก็ตายอยู่เพราะมันรูปเราไม่ตายผู้ความตายเราไม่เจ็บผู้ความเจ็บเราไม่แก่ผู้ความแก่มันต้องได้ตรงนี้ถ้าไม่ได้ตรงนี้ีประโยชน์ล่ะเพราเจ้าตอบเราในอะไรทั้งปี ตอบร่างเนี่ได้ทันทีนี่โรคของลกูกบางโรครักษาไปได้เวลานี้เราก็กังวลอยู่ว่าการวัณเทพเป็นโรคตับมะเร็งโรคตับไปตอมนารถน้าดีไปถึงตับแล้วแม่ก็เนื่องในตับแล้วอันนี้เราก็รัวาบางอย่างอาจจะรักษาได้บางอย่างอาจจะรักษาไม่ได้ เราไม่รู้หมอก็รู้หมอที่เรียนมาอาจารย์สายหยดนะเรียนมาหลายคีวิตที่เรียนมารู้เรารู้อยู่เราไม่ต้องทุกข์ว่าโลกมันเป็นอย่างนี้รูปโลกมีสองโลกมันเป็นอย่างนี้รูปธรรมมีสองธรรมธรรมดีธรรมชั่วธรรมชาติในว่ารูปธรรมนามธรรมก็เหมือนกัน เมย์สองสองทำเมย์สองโลกโลกต้องโรคโลกทางนา้ำก็เหมือนกันนะความโกรธรักษาได้ความทุกข์ใจที่เป็นโรกโลกของนามความเศร้าหมองความตกกงใลความเครียดชั่งชิงชังความเบียดเบียนขวาอะไรต่างๆที่เกิดกับนามเนี่ยน้ำแต่เดิมไม่มีอะไรดอกบริสุทธิ์ปกติ แต่เมื่อมันเกิดโรคมันจึงเศร้าหมองเป็นสุขเป็นทุกข์รักษาได้อะรักษาได้ละทันใดทุกอย่างนี้ละได้ไม่ต้องบรนเท า, าโลกของลูกต้องบันเทาคำหนึ่งกำหนดรูด้โดยการรู้รู้แล้วเมก่อแล้วไปถ้ามันร้อนก็อาบน้ำบันเทาถ้ามันหิวก็จินอาหารามัน นาวก็ห่มผ้านี่บันเทาปวดหนักไปบันเทาปวดเบาก็ไปบันเทานัง่งนางก็บันเทายืนเดินไปอริบทต่างๆเพื่อใช้บรรเทาอาริบทอันนี้ไม่ใช่ละไปอาชฉนะรูปทุกรูปลูกอันนี้ไม่ได้หลงคนโง่ โู่เลยโลกอันนี้ก็มีมาเช่นนั่งกดหลังกดแล้วก็นั่งอยู่วันสุดพระก ร, รมมฐานเป็นโลกอามาพาธเยอะๆเลยก็นั่งอะไรเป็นเลายามสอนว่าก่องว่าก่อมชอบนั่งหลังหงอกให้นั่งเก้าอี้ก็ไม่อยากนั่งนั่งอยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยแล้ว อ, อ, อย่าไปหัดรูปวันนี้ให้มัน มันไม่คดีมันก็ไม่ดีเหมันก็นนะหัดนั่งเกัาอี้หัดนั่งดีๆเราเป็นเท่าวันเสาแล้วไปนั่งเหมันขนมก็ไปได้รูปมันก็มันก็ไม่เที่ยงเราต้องใช่ตามเหตุตามปัจจัยมันแต่ก่อนเราไปเคยนั่งเกับอี้พูดกับโยมเวลานี่นั่งได้ไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรแต่ก่อนไม่กล้านั่ง เห็นพระท่านนั่งเก้าอี้คุยกับโยมนะไม่ค่อยชอบสมัยเป็นพระนุ่มบอกว่าตนเด็กแล้วาเราก็เห็นเห็น่าโอ้เราจําเป็นน้องนั่งเก้าอี้แบบไห้คุยกับโยมได้ไม่เป็นไรไว้จริงจังกับรูปกับพิธีกรรมกับอะไรต่างๆไม่ถูกต้องสมัยไปต้องตามกาละเทศะอรูปเนี่ย แต่สิ่งที่มันไม่เป็นไรคือปัญญาโน้นมาเห็นอย่างนี้เรียกเห็นเป็นเห็นเป็นสมมติเห็นแจ้งเป็นเวปิศาลารูปโลกนามโลกรูปทุกนามทุกรูปสมมุตินามสมมุติเอ้าส่อนเขาอยูล่ะทุกพอสมมุติสุขพอสมมุติบัญญัติเข้าไปอีกให้รูปในนามเนี่ยโอ้ยหลวงพ่อเทียน ทำไมจึงสองนใะห้เรามาเห็นเรื่องนี้เป็นการเห็นแบบลื้อถอนเครี้ยงมันเข้าปั่นลานโบราณท่านว่าเข้าปนลานเครี้ยงทุกเม็ดเลยบุญตุ่มเข้าลานมาให้เหลือเอาขึ้นยุ่งขึ้นฉังอะไรแตในรูปในนาเนี่ยมันเกลี้ยงจรงๆะถ้าเห็นอย่างเนี้ยเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปทุกน้ําทุกรูปโลกนามโลก เห็นรูปสมมุติเห็นดำสมมุติเข้าไปอย่าไปเห็นอาเดือนบางทีเราไปเห็นอันโน้นเหนนี่อาจารย์สองก็เห็นนิมิตเออเห็นดวงแก้วเห็นอะไรต่างๆเห็นเทวดาโอ้อยู่ชั้นโน้นชั้นนี้เทวดาต้องเป็นแต่งตัวสีแดงพระอินแต่งตัวสีเขียวๆไปกันใหญ่เยเคยไปปีองพารอยสิบเอน่ะ ไปวิปัสนาจารย์ทั่วประเทศเขาอยู่วัดตัโงงเนี่ยนั่งสมาธิอยู่วัดตโมงงฝนตกล้มแรงวัดตัโมงก็เป็นป่ามาบ้า น, ววนเราวัดเรานี่ยจงไหมหักลงเทิมลงมาแล้วก็สะดุ้งกันก็ยังนั่งอยู่ในศาลาพอนั่งจบออกสักสมธาธิแล้ว พระที่อองนั่งพูดขึ้นว่าผมนั่งเมื่อคีอาจารย์เจ้าคุณพี่มรธรรมก็ถามไปนั่งกันน่ะเป็นยังไงเป็นยังไ ง, เ ป, ไงเป็นอะไรเกิดขึ้นเห็นอะไรก็ถามไปพระรูปนั้นทุ่ขึ้นมาเมื่อกี้ผมนั่งไปเห็นตัวอะไรเขียวๆนั่งอยู่บนจีงไหมจีงไม่เลยหักลงมา <c oughs> <c oughs> อาจารย์ใหญ่ตอบว่าไงโอ้นั่นพระอินทร์แต่งตัวเขียวเขียวแต่ลาต้องแต่งตัวเฉียงแดงใช่มหมเห็นเป็นรูปพระอินทร์แต่งตัวเขียวเขียวเทพดาแต่งตัวเฉียงแดงไปกันใหญ่เลยพระอินทร์คืออะไรคือคนอธรรมเทพดาคืออะไรคือคุณธรรมไม่ใช่รูปสีแดงสีเขียว เทวดาคืออะนี่อตุตปะสัมปัน ด, ดังไม่กล้าคิดชั่วไม่กล้าผู้ชั่วไมา่ากล้าทำชั่วไม่กล้าทําไม่กล้าพูดไม่กล้าคิดละอายตัวอย่างใจคิดก็ไม่ได้มันเปื้อนใจนี่คือเทวดาได้ ว, ว่าคุ้มกองโลกถ้าคนมามีเทวดามัานนี้ไม่มีใครทําชั่วหรอกไม่มีคุกเป็นตารางไม่ใช่แต่งตัวสีชุดสีร่างๆอินก็คือพวมเป็นใหญ่ ใหญ่ในการใช่ศินใช่ธรรมมันผิดมันไม่เป็นใหญ่หว่าไม่ผิดเป็นใหญ่กมถูกต้องมันทุกข์แค่ไม่ได้ไม่ทุกข์ถูกต้อ ง, องเรียวอินทรีย์ตัวนี้ใหญ่ไม่หวั่นไหวเนี่ยไม่ไม่ใช่รูปนะไม่ใช่ะมันเป็นคุณธรรมเกิดขึ้นกับเราเวลาเราฝึกส ม, มถะวิปัจฉนามันเห็นฉันหลงพอเทียนมา อว่าเป็นพระได้ไหมเป็นเทวดาได้ไหมเป็นพระอินได้เป็นได้เพราะมันเห็นแจ้งในรูปในนานําน่รูปสมมติลังสมมุติลืมทุกข์หรอสมมติเป็นทุกข์สมมติเป็นสุขสมมติเราลักสมมติเราจังสมมติเราพอใจสมมติเราไม่พอใจสมมติเรายินดียินไล่ของเก่าของ อะไรก็เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยของที่ชอบกลายเป็นของไม่ชอบของที่รักกลายเป็นของที่ชังสมมุติปั่นหัวเราเลยเราตกเป็นทาสของสมมตุติเวลามันแสดงความรักขึ้นมาเพราะสมมุติบัญญัติเอาบางทีในความรักมันสมกูรณ์ไม่ไดเอาเป็นความชังามดีตามสมมุติทำชั่วตามสมมติสมมตินี่ฆ่าตัวตายฆ่าคนอื่นได้ถ้าไม่รู้จักนี่มันอยู่ในรูปในนามเน่ อย่าไปรู้ลรงเกิดนะปฏิบัติธรรมน่ะดุ่นดวนจังหน่อยอย่าไปเสียเวลาแม่เราสวดเนี่ยบางทีเอาให้มันแต่เป็นบทที่มันกัเทะอาจาังหน่อยบทบางบทเนี่ยพอลังฟังรู้ก็มารู้ก็ไปแสดงธรรมบางส่วนเนี่ยจะไปฟังให้ไว้สวดเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องมันมีอยู่ในพวกเราันมีอยู่ในกลุ่มในอยู่ในชั้นต่าง ถาาปงอย่าเปียนกันอย่าพ่บาตกันมันไม่ใช่ไม่ไต้องมาสติทันทีมาสมถะวิปัสสนาทันทีเป็นสากลต้องเข้าถึงตรงนี้อย่ามัวแต่ไปสวดเอาจริงเอาจังเอาผิดเอาถูกกับการสวดอาถานอนอระเถานี้มันไม่ใช่อานถากันอานลุกเคยเรียนมาตั้งแต่เป็นเด็กตร้ กลัวตรงลกไปเรียงค า, าถาเตีทูวทั้งสี่ชาติพิทุคาอาะไรเห็นก่อนเกิดก็ว่าคาถาเห็นก็อนแก่ก็ว่าคาถาเห็นก็เจ็บก็ว่าคาถาเห็นงงตายก็ว่าคาถาไม่ไม่ใช่เมื่อมาเห็นรูปเห็นนามเห็นสมมถะวิปัญนามันไม่ใช่คาถ า, ามันเป็นการเห็นแง่เงเมื่อไวตรวจจูตรวจหน้าบด น, นั่นบดนี้ ใจมันมีอะไรที่ที่มันมันเป็นบุญมากมหมบุญคือใจดีบาปคือใจล้ายคือมันหลงบุญคือไม่หลงคือมันรูปลูปลูปลูดน้ำเนี่ยเป็นบุญแด้วนี่ยมาจะไม่เอารูปอานามไปทําชั่วมาจะเอารูปน้ำไปทําดีรับผิดชอบตรง น, นี้ร้อยเปอถ้าไปสวดเอาเจียงอาจังกับการสวดอยู่เอาเพลก็ถูกตรง น, นั้น วิธีเรียนตองกันไปมันจะเดินเชเสียเวลาเพราะนั้นเราจึงเข้าถึงนนเข้าถึงอุดมศึกษาอย่าไปเป็นอนุบาลเราเทศเราสอนเรารับผิดชอบดูกลุ่มคนกลุ่มคนพวกนี้ทุกคนพูดอะไรสะแสดงอะไรกลุ่มพวกนี้จะต้องสแสดงอะไรบางทีมันมีอนุบาลมีประถมมีมัธยมมีชั้นอุดมด้วย เราก็ให้มันทันสมัยเพราะเราเป็นพระสงฆ์เพราเราเป็นอาวุโสปชิกาชาวพุทธอย่าด่วมเดี้ยมให้ชัดเจนแม่นยังนำพากันให้ถูกต้องเขาหลงเขาวชวนให้เขาไม่หลงเขาทุกข์ชวนให้เขาไม่ทุก ข, กขก์เปลี่ยนแปลงเขาปฏิบัติเขาช่วยเขาบางทีเราไปช่วยเขาเราช่วยเราแต่เป็นงานช่วยเขาได้ เช่นเขาโกรธเราไม่โกรธเราช่วยเขาได้เราเขาทุกข์เรามาทุกข์ไม่หวั่นไหวไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดไปในคนที่ทุกพูดไปในคนที่โกรธรูย้ยเอาตัวเราไม่ต้องไปสอนบางเดียสอนไม่ได้หลังคนไม่ต้องสอนทําให้ดูการสอนกันไม่ใช่สาวคนนะใช่ไหมยี่น้อยต้องทําให้ดูเช่น พรเจ้านะมักจะทําให้ดูมากกว่าการสอนอยู่ให้เห็นทำให้ดูอยู่ให้เห็ น, หหหนการพูดน้อยกว่าการนให้ดูนะ่ะมากที่สุดเลยเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือทําให้ดูนั่นแหละว่าใช่ไปพูดแปลว่าแปลแ ป, ลปลพูดเฉงอันนั่นก็อาจจะไม่ <c oughs> ถูกต้องเสมอไปอทําให้ดูเป็นเป็น หลักไว้ก่อ น, นี่เราศึกษาเห็นรูปทำเห็นนามทำเห็นโูกสมมุตินามสมมติเห็นโลกโลกนามโลกโอ้ยเยอะแล้วเกินสมมุติน่ะล้นโลกเลยเดีย๋ยวนี้เราหลงสมมุติบัญญัติสมมุติเราหมายาบัญญัติเข้าไปต่างกันนะบัญญัติสมมุติบัญญัติต่างกันไม่ใช่สากลแต่ปริมาณอันเดียวกันอมโกรเป็นสมมตุติต่างกัน ของที่เราโกรธของที่คนอื่นโกรธบางที่เรามีเมตตาแต่ของเป็นคนโกรธมันต่างกันของที่ทุกขเป็นสมมตุติไม่ทุกเป็นปรมัตดโกรธเป็นสมมติไม่โกรธเป็นปรมัตดอ่ามันมีปรามัดอยู่ปรามัตดจะช่วยคนแต่คนไม่เข้าข้างปรมัดถ้าเราเคยโกรธแล้วความโกรธก็ไม่มีมันก็หายไปแล้ว อันมไม่โกรธมันไม่อยู่แต่ไม่สนใจตรงนั้นความทุกข์บางทีมันเหมือนกับใจจะขาดมันก็มีโอกาสหลงลืมความทุกข์แต่เราไม่สนใจตรงนั้นเราเคยทุกข์เราเคยโกรธแล้วถ้าโกรธอยู่เป็นเดือนเป็นปีไม่มีใครอยู่ได้เราตายแล้วแต่ามไม่โกรธมันช่วยเราอยู่ผมไม่ทุกข์มันช่วยเราอยู่ น, นี่เราไม่ค่อยสนใจ ไม่เปิดประตูหลับมีจะปิดไปสนใจอันความทูกมากกว่าความไม่ถุกสนใจความโกรธบ้างกว่าความไม่โกรธสนใจการปรุงประ แ, แต่งมากกว่าการสงบมันมันก็เป็นอย่างนั้นชีวิตของคนนะ่ะมันก็มีอายตนะมีตามีหูมีวิญญาณมีปัญญาด้วยปัญญามีวิชามีอวิชาด้วย ในความหลงมีความหลงในความหลงไม่ความไม่หลงในความหลงไม่ความไม่หลงด้วยว่าสมถบิปัสฉนาจงใช้ชีวิตตรงนี้เพื่อให้มันตรงตรงจะหน่ยปฏิบัติตตรงปฏิบัติออกจากทุกขปฏิบัติดีมันคือจึงนี้กันไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นนะจึงโอ สามไถากก็วานะมันมันลื่อนถอนเหมือนกับมันทะลุงจริงจงนะชีวิตของเร า, าไม่เหลืออะไรเลยจนที่สุดไม่มีอะไรเหลือจบเลยปะาณันว่าแบบจะพูดว่าเสียเวลานะขอพูดว่าไม่มีไม่เป็นอะไรพังดูมันก็โอ้ยของเล่นเล่นไม่ ปฏิเสธแล้วไม่มีไม่เป็นไรเป็นการปฏิเสธไม่ใช่ปฏิเสธมันผ่านมาแล้วมันจึงไม่มีไม่เป็นผ่านความมีความเป็นมาแล้วมันจึงไม่มีไม่เป็นไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ปฏิเสธนะของต่ํำตำมันเป็นของสูงสงดเลยไปพูดสมัยสิบกว่าปีที่ไต้หวันมีมีเขาไปเป็นเขียนหนังสือเป็นชีต นายแจกปะดีเมพระห้องสมุดอ่าสวนโมกที่อยู่กรุงไทเปเอามาอ่านเขามาเขาม า, มาบอกเราเนี่ยหลงพ่อหลวงพ่อพูดเนี่ยเขาเขียนมาอย่างนี้เขาอ่านภาษาเกินเราอ่านภาษาเราพ่อพูดอย่างนี้นมันให้อายุเจ็ดสิบปีก่อนเขค่อยพูดเรื่องนั้นถ้าพูดตอนหนุ่มในสมัยแม่ก็หกเจ็ปี ให้อายุสักเจ็ดสิปีเคยพูดเรื่องนี้มาหมายถึงว่ามันหมายเขายกหลงพ่อสูงกันไปอันตรายไม่มีใครเชื่อต้องจแก่ๆใช่ไหม <laughs> เออตอนนี้ก็เจ็ดสิบกว่าปีแล้วก็เลยอยากจะพูดว่าอยากจะไม่พูดอะไรละอยากพูดว่าไม่มีไม่เป็นไรปนไปลยนะมันจะเป็นงไงเป็นสุขเลยไม่เป็นสุขเป็นทุกหรือไม่เป็นทุก เป็นผู้ผิดเป็นผู้ถูกอะไม่เป็นอะไรหัวมรณะอยู่เฉยๆเด้มันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บมันแช่ไม่เป็นผู้แช่มันตายไม่เป็นผู้ตายนะเห็นเลยเห็นรูปเห็นนามมันลื่อไปแต่นี่เป่ามันลื่อไปลื่อไปเลื่อไปมันไม่มีอะไรที่ลื่อมันก็เลยหมดจ้ไม่เป็นเลยเป็นจุดสูงสุดของชีวิตเรานะอาวะไม่มีไม่เป็นไรนอาจารย์พุทธาบ่าดับไม่เหลือ ดับไม่เหลือกิด อ, อะไรคือไม่มีเลยต้องดับเองเหมือนไฟมันล้อ น, นเย็นแล้วชีวิตของเราอ๋ออันนี้ก็คือสมถวิปัญนาพวกเราศึกษาเรื่องนี้กันให้อย่าไปเอาจริงอันอื่นเกิดไปปฏิบัติตรงคือมันหลงรู้มันทุกข์รู้มันสุขรู้มันอะไรต่างๆเกิดเกิดรูปกรรมนามให้รู้เข้าไปถ้ารู้สือว่าศึกษาแล้ว ศึกษาก็มีศึกษาสูงสุดคือภาวนาสุดตามาัดสุดตระมัปัญญาหน่อยอานตำลับตําลาท่องตํำรับตําลาสวดตํำรับตําลาเรียกว่าสุดตะมยปัญญาได้ปัญญามันการกินตามายปัญญาเอามาคิดมาขบมาเขี้ยวโกรธทำไมหลงทําไมทุกทําไมไม่หลงไม่ได้เลย เอามาเขี้ยวลงโหลเปลี่ยนลอาโหรส่วนภาวนามะจัปัญญาเอามาทำโดนเราไปเลยไม่ต้องหาเหตุนะพอนารู้ร ล, ลงไปเคื่อนไหวลงไปรูล้ลงไปเคลื่อนไหวลงไปแมันหลงกับรู้ลงไปรูล้ลงไปเอารู้กันหลักเขารู้เป็นเจ้าเรือนนี่นภาวนามะจปัญญาสูงสุดในการศึกษาถ้าให้เกิดปัญญาได้ อาหลวงตาก็พูดมาพอสมก่อนวันนี้ก็จบทอนนี้ก่อนเพราเรากับพระพ้องกัน